เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณก้อยเกิดขึ้นเมื่อสมัยเป็นนักศึกษาปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยรัฐชื่อดังในจังหวัดนครปฐมที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเรื่องความสยองมากมายคุณก้อยได้เล่าว่าเราเป็นคนกรุงเทพอยู่แถววงสว่างดังนั้นการได้ไปเรียนนครปฐ ม, มต้องเดินทางไกลามากๆเราเลยได้อยู่หอในของมหาวิทยาลัยโดยจะแยกเป็นตึกชายตึกหญิงและ ป, ปิดเปิดเป็นเวลาห้องเราจะอยู่ด้วยกันสามคน คือเราป่านและเกดมีอยู่คืนหนึ่งเราอยู่กับป่านสองคนเพราะเกดขอไปนอนกับเพื่อนอีกห้องหนึ่งที่อยู่ในหอเดียวกันช่วงนั้นเป็นช่วงใกล้สอบเราก็จะอ่านหนังสือกันดึกๆทุกคืนตอนนั้นก็ตีสองได้แล้วป่านก็ขอตัวเข้านอนโดยที่ก่อนนอนเราก็เห็นป่านสวดคาถาชินบัญชรเป็นประจำทุกคืนส่วนเราก็อ่านหนังสือต่อสักพักจนสุดท้ายก็เผลอหลับไปจู่ๆเราก็ต้องสะดุ้งตื่น เพราะเสียงเคาะประตูตอนนั้นเราเข้าใจว่าเป็นเกตที่จะกลับมานอนที่ห้องพอเดินไปที่ประตูต้องบอกก่อนว่าประตูที่นี่จะมีลักษณะเป็นช่องนุ้งลวดโปร่งทั้งด้านบนและด้านล่างเพื่อให้เห็นขาได้และติดกรอนตรงกลางใครเคยอยู่ที่นี่สมัยก่อนจะรู้ดีเราก็เหลือบมองที่ช่องด้านบนด้านล่างแต่นั้นไม่ใช่ขาของเกตแต่กลับเป็นขาของผู้ชายร่างใหญ่ที่ข้อเท้ามีโซ่ตัว ล, ล่ามอยู่เราเลยตกใจถอยหลังกลับมา แต่พอเราเหลือบมองไปที่ช่องด้านบนของเพดานก็เห็นเป็นส่วนหัวของผู้ชายคอหักพับติดอยู่กับเพดานกำลังมองเข้ามาในห้องเราซึ่งเราแน่ใจว่าด้วยความสูงขนาดนั้นถ้าไม่ใช่เปลดก็ต้องเป็นอะไรสักอย่างแน่ๆที่ไม่ใช่คนเราเรียบวิ่งไปปลุกป่านแต่ปลุกเรียกยังไงก็ไม่ตื่นเลยขึ้นเตียงคลุมโปงสวดมนต์ทันทีและในคืนนั้นเราก็ได้ยินเสียงเดินลากโซ่ทวนไปมาเรื่อยๆทั้งคืนแทบไม่ได้นอนเลย จนเช้ามาก็คุยเรื่องนี้กันและก็มีรุ่นพี่เล่าว่าแต่เดิมที่นี่เป็นลานประหารและก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณ น, นักโทษเยอะแยะมากมายและอีกเรื่องแปลกที่ได้ยินมาที่นี่ห้ามสวดคาถาชินบัญชรว่ากันว่าถ้ามีคนสวดคาถาที่นี่